อาคันตุกะรูปหนึง่งซึ่งมาเยือนถึงกุฏิที่พักของท่านพระคุณเจ้าจำกระผมได้ไหมครับภิกษุอาคันตุกะถามหลังจากทำความเคารพเจ้าของกุฏิและนั่งในที่อันสมควรแล้วขอประทานโทษคุณมาจากอารามไหนภิกษุหนุ่มคิดว่าท่านไม่เคยเห็นหน้าฆ่าตาบุคคลผู้นี้มาก่อน กระผมมาจากวัดกุดีทองครับผู้อ่อนวัยกว่าตอบอ๋ออยู่วัดกุดีทองใกล้ๆนี่เองเหรอือแล้วคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าพระคุณเจ้าจำกระผมไม่ได้จริงๆเหรือครับกระผมจะมากราบขอพระคุณท่านที่ได้ช่วยกระผมให้พ้นจากการตกนรกทั้งเป็นภิกษุอคันตุกะหยิบพาเล็กๆออกมาจากย่าม ในพานมีทูปเทียนแพรวางอยู่บนทูปเทียนแพรเป็นพวงมาลัยดอกมะลิส่งกลิ่นหอมอบอวลขอประทานโทษผมจำคุณไม่ได้จริงๆช่วยบอกหน่อยเถอะผมชักงงแ ล, ะละ้วล่ะภิกษุหนุ่มบอกอคันตุกะกระผมนายยุศบครับที่พระคุณเจ้า ช่วยไล่ผีออกให้กระผมผีนายบุญช่วยนักครับกระผมจึงบวชให้เขาตามสัญญาตอนนี้เขาไปเกิดแล้วพระคุณเจ้ามีพระคุณต่อผมและนายบุญช่วยมากอ๋อคุณเองหรอกรึท่านนึกลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเข้าพรรษาแล้วจึงถามนายยูโซอาของคุณ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 เวณย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนครับกระผมก็คิดอย่างนั้นกระผมมาที่นี่ก็เพื่อจะกราบขอบพระคุณท่านที่ให้ชีวิตใหม่กระผมพูดพลางยกผานสงให้พระเจริญด้วยอาการนอบน้อมพิษุหน่มรับผานแล้ววางไว้ด้านขวามือของท่านผู้มาเยือนหยิบถุงผ้าดิบบรรจุเงินออกมาจากย่ามถวายพิษุหนม กระผมร่วมทมสมทบทุนสร้างโบสถ์สิทช่างครับคุณไม่กลัวผิดกฎของมุสลิมหรือท่านยาวตอนนี้กระผมเป็นพุทธอยู่ครับจึงทําบุญได้ผู้อ่อนวัยกว่าตอบยิ้มยิม้มหมายความว่าคุณจะเปลี่ยนาศาสนาอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ครับกระผมเพียงแต่จะเรียนว่าขณะที่ผมเป็นพระภิกษุกระผมเป็นพุทธ ต่อเมื่อศึกหาลาเพศจึงจะกลับไปเป็นมุสลิมตามเดิมเราต้องกระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษใช่ไหมครับกระผมเกิดเป็นมุสลิมก็ต้องเป็นมุสลิมตลอดชีวิตแต่ต้องมาเป็นพุทธชั่วคราวก็เพราะความจําเป็นดังที่ท่านทราบคุณคงสบายขึ้นนะดูหน้าตาผ่องใสจนผมจำไม่ได้ตอนพบกันครั้งแรกคุณซีดเซียว ผอมเหลืองจนน่าตกใจท่านยังจําภาพเหล่านั้นได้ติดตาแทบไม่น่าเชื่อ ว, ว่าชายหนุ่มผอมเหลืองคนนั้นจะเป็นคนเดียวกับภิกษุหน้าตาผ่องใสที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของท่านเพราะความเมตตาของพระคุณเจ้านั่นแหละครับไม่ใช่นนั้นกระผมคงตายไปแล้วพูดอย่างสำนึกในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญคุณอะไรเลย คนเราเกิดมาก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนี่คุณก็อุตส่าห์นำปัจจัยมาช่วยผมสร้างโบสถ์ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกระผมเพียงแต่จะตอบแทนบุญคุณซึ่งน้อยนิดมากหากเทียบกับที่ท่านได้ช่วยชีวิตกระผมแม้จะศึกหาลาเพศแล้วกระผมก็จะขอปรารณนารับใช้พระคุณเจ้าตลอดไป หากมีอะไรให้กระผมรับใช้โปรดอย่าได้เกรงใจนะครับขอบใจที่เอื้อเฟื้อผมขออนุโมทนาเงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุอคันตุกะจึงถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าจะบวชตลอดชีวิตเลยเหรอครับผมตั้งใจอย่างนั้นแต่จะทำได้อย่างที่ตั้งใจหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะเป็นเรื่องของอนาคต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 พูดแล้วอย่าหาว่านินทานะครับพวกชาวพุทธเีกที่ละลวมหล่ะแหละอย่างที่วัดของกระผมมีพระหลายรูปที่ละเมิดพระวินัยกระผมเห็นแล้วก็เศร้าใจที่เขาไม่ชื่อสัตว์ต่อพระพุทธเจ้าชาวพุทธเป็นคารวาสก็เหมือนกันไม่ค่อยจะรักษาศีลแค่ศีลห้า ก, ก็รักษาไม่ได้พระคุณเจ้าอย่ากโกรธนะครับ ที่กระผมพูดอย่างตรงไปตรงมาผมไม่โกรธหรอกเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเองก็รู้สึกว่าคนมุสลิมเขาเคร่งาศาสนามากกว่าคนพุทธชาวพุทธส่วนใหญ่มักตกอยู่ในความประมาทถึงตัวผมเองตอนบวชก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพิ่งจะมารู้ดีรู้ชั่วเมื่อตอนเป็นพระนี่แหละแต่บางคนบวชแล้วก็ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วนะครับพระคุณเจ้า ผู้อ่อนวัยกว่าแยง้งนั่นสิคนพวกนี้เขาเรียกว่าบวชเสียเข้าสุขบาปมากนะสู้เป็นขฤรืหัดยังบาปน้อยกว่าถึงผมจะเป็นชาวพุทธแต่ผมไม่เข้าข้างชาวพุทธด้วยกันใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับกระผมเองก็ไม่เข้าข้างคนมุสลิมที่ทำความผิดทุกศาสนาก็มีคนดีคนชั่วปะปนกันไปนะครับ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 ก่อนลาสิขากระผมจะมากราบพระคุณเจ้าอีกกระผมลาละครับพระยูโพกราบพระเจริญสามครั้งแล้วเดินทางกลับไปยังวัดกุดีทองซึ่งอยู่ห่างจากวัดพรหมบุรีไปทางทิศใต้ประมาณห้ากิโลเมตร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 รวบรวมปัจจัยอีกหลายปีในขณะเดียวกันก็จะรอดูว่าจะพบคนอุปถัมภ์เมื่อท่านบวชได้ห้าพันษาจริงหรือไม่โยมบิดาและโยะมารดาของท่านรับเป็นเจ้าภาพกันโชชกส่วนโยมยายรับเป็นเจ้าภาพกันกุมารปรากฏว่ากันกุมารได้เงินมากเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ความคิดอันเฉียบแหลมของพระเจริญ กล่าวคือก่อนถึงวันเทศสามวันท่านได้จัดขบวนออกเรียรายไปตามตลาดและบ้านคนมีชูชกกับสองกุมารอยู่ในขบวนด้วยคนเป็นชูชก ค, คือครูชินซึ่งบัดนี้ได้เลิกเล่าอย่างเด็ดขาดและในพรรษาก็ได้มารักษาอุโบสถศีลที่วัดทุกวันพระครูชินในบทชูชก แสดงได้ถึงอกถึงใจคนชมพวกเด็กๆถึงกับใช้ก้อนอิฐก้อนดินคว้างปาทำให้คนที่อยู่ในขบวนต้องคอยห้ามปรามตัวชูชกนุ่งผ้าโจงกระเบนสีขาวแบบพรามไม่ใส่เสื้อใช้แป้งโรยศีสะให้ดูขาวเหมือนผมหงอกมือข้างหนึ่งถือไม้เรียวทำด้วยแขนงไผ่หดขับขับ ไปในอากาศทำทีว่าตีสองกุมารมืออีกข้างหนึ่งถือเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกข้อมือกันหาปลายอีกข้างหนึ่งผูกข้อมือชาลีตัวกันหาชาลีเป็นคู่แฝดชายหญิงหน้าตาน่าเอ็นดูอายุประมาณหกขวบไว้ผมจุกทั้งคู่สองกุมารเดินร้องไห้ตามหลังโชูชกไปบางครั้ง ก็ถูกชูชกหันมาดุด่าด้วยท่าทางเกรียวกราดพวกเด็กๆพากันสงสารสองพี่น้องจึงไปขอเงินพ่อแม่มายื่นให้ในายเชี่ยวกับนายชานถือบาทมารับเงินจากนูน้อยคู่แฝดอีกทีหนึง่งส่วนพระเจริญเดินนำขบวนอยู่ข้างหน้าขบวนแห่ชูชกและสองกุมารออกเรีย ร, ราย ชาวบ้านร้านถิ่นอยู่สามวันครั้นถึงวันที่สีซึ่งเป็นวันเทศสมพานช่อรับเทศกันชวชกซึ่งแม้ผู้เทศจะค่อนข้างแก่แต่อาศัยที่เคยเป็นนักเทศเก่าสุ้มเสียงและลีลาจึงยังคงประทับใจคนฟังส่วนกันกุมารพระเจริญรับเทศเองถึงจะเป็นการเทศครั้งแรกแต่เพราะ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 เป็นเงินถึงร้อยช่างครั้นเทศจบพระหลานชายจึงลงจากธรร ม, มาทและเดินไปหาโยมยายซึ่งนั่งฟังอยู่หน้าธรร ม, มาทช่างเทศเก่งเหลือเกินเพราะคุณทุนหัวของโยมโยมยายวัย90ชมพระหลานชายวัยสองรู้สึกภาคภูมิใจจนน้ำหูน้ำตาไหลอัตมายกความดีให้โยมยายจ้ะ เป็นเพราะโยมยายผูกขาบังคับให้ฟังเทศตั้งแต่เด็กๆอัตมาก็เลยเทศได้นี่ถ้าไม่มีโยมยายคอยอบรมสั่งสอนอัตมาคงก่อกรรมทำเค้นไว้มากกว่านี้ท่านพูดจากใจจริงหวนคิดถึงความหลังคราใดก็ให้เสียใจครานั้นเสียใจที่ได้ประมาทพลาดพลัง้งทั้งที่โยมยายคอยห้ามปราม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 อีฉันก็นเทกระเป๋าติดกันเทศเลยละจ้ะแม้ท่านเทศดีเหลือเกินสตรีที่นั่งข้างๆโยมยายชมเปาะพวกสาวๆพยายามจะศบตาทว่าพระหนุ่มไม่ยอมศบตากับสาวใดแม้แต่แม่ปรายงเจ้าของแหวนเพชรเม็ดงามวงนั้น พรรษาที่สแห่งการครองสมณเพศพระเจริญยังทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยเพื่อใช้ในการสร้างพระอุโบสถสมภารช่อแจงให้ท่านทราบว่าเงินที่สะสมไว้มีถึง22หมื่นแล้วครบ40สบหมื่นเมื่อใดจะลงมือสร้างเมื่อนั้นภิกษุหนุม่มค่อนข้างมั่นใจในคำทำนายของอาจารย์เชย เหลือเวลาอีกหนึ่งพรรษาท่านก็จะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะมาเป็นคนอุปถัมภ์เย็นวันหนึ่งท่านสมภารได้มาหาพระเจริญถึงกุฏิที่พักเพื่อจะมอบหมายให้ไปเรียรายทางนครสวรรค์พรุ่งนี้เป็นวันโกนฉันเช้าเสร็จแล้วฉันจะให้เธอไปบอกบุญญาติโยมที่นครสวรรค์ฉันสั่งให้คนเตรียมเช่าเรือในหล่อไว้แล้ว ครับหลวงพ่อมรืนเป็นวันพระและตรงกับวันศาสตร์คงมีคนทําบุญมากกว่าปกติเพราะเขาได้ไปอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและเปรตชนทั้งหลายตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรด้วยฉันก็คิดอย่างนั้นวันโกนวันพระคนเขานิยมทําบุญกันยิ่งเป็นวันเทศกาลศา ส, าสตร์ด้วยแล้ว น่าจะได้เงินมากเป็นพิเศษช่วงนี้เธอก็ทนเหนื่อยหน่อยที่จะต้องเดินทางบ่อยขอให้คิด้อว่าทำเพื่อพระศาสนาครับหลวงพ่อไม่ว่าจะทำเพื่อศาสนาหรือว่าเพื่อหลวงพ่อผมก็เต็มใจทั้งนั้นพระหนุ่มอดไม่ได้ที่จะประชดทว่าหลวงพ่อชอท่านไม่รู้เท่าทันจึงได้แต่ภาคภูมิใจในวาสนาบารมีของตัวท่านเอง ขาไปคงจะช้านหน่อยเพราะเรือแล่นทวนน้ำแต่ขากลับแล่นชฉวเลยละ่ะขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนครั้งที่ไปบ้านไผ่กองดินนะท่านอวยชัยให้พรเจ้าตรูวันรุ่งขึ้นพระเจริญออกบินทบาทตามปกติเมื่อท่านเดินออกประตูหน้าวัดมาถึงต้นแมงเมาก็ต้องประหลาดใจ ที่เห็นคนห้อยตรงเตงีงอยู่ใต้ต้นครั้นเดินไปดูใกล้ๆจึงพบว่ามีคนมาอาศัยต้นมะแรงเม้าที่ผูกคอตายตาถลนออกมาจากเบ้าดูน่าเกลียดอาปากลิ้นห้อยลงมายาวประมาณหนึ่งคืบแม้จะอยู่ในเพศสมณะหากท่านก็ยอมรับว่าภาพที่เห็นช่าง น, น่าเกลียดน่ากลัว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 ท่านจึงไม่เดือดร้อนเรื่องการขบฉันอาจจะรู้สึกเดือดร้อนบ้างก็ตรงที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระวินยัยด้วยพระวินัยบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะต้องออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ทุกเช้าอันถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในที่สุดพระภิกษุนุมก็ตัดสินใจเดินกลับเข้าวัดท่านตรงไปยังกุฏิสมพาน และแจ้งให้ทราบเรื่องมีคนผูกคอตายที่ต้นแมงเมาลหลวงพ่อชอบใช้ลูกศิษย์ไปตามชาวบ้านที่อยู่ข้างวัดมาช่วยกันเอาศพลงเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอา้าวนี่มันตะแปะเหล็งหวยลุงเจ๊เจียนี่นาเจ๊เจียที่ขายของอยู่ในตลาดปากบางน่ะหรือพระเจริญถามเพราะ ถ้ารู้จักโยมเจียแต่ไม่เคยเห็นตาแปะเหล็งหวยครับหลวงพี่แกมาจากเมืองจีนมาอาศัยอยู่กับเจเจียหลายปีแล้วพูดไทยไม่ได้แล้วแกก็ไม่คบหาสมาคมกับใครไม่ค่อยมีคนรู้จักบุรุษผู้นั้นบอกกล่าวแล้วทำไมโยมถึงรู้จักแกละ่ะผมไปบ้านเจ๊เจียบ่อย มีธุระนิดหน่อยเขาไม่กล้าบอกว่าไปจีบลูกสาวเจเจียลูกสาวเจเจียสวยทั้งสองคนทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะรักคนไหนจะรักคนพี่หรือก็เสียดายน้องถ้าเช่นนั้นโยมช่วยไปบอกโยมเจียให้มาจัดการเรื่องศพด้วยจะเผาหรือว่าฝังตามธรรมเนียมจีนก็สุดแล้วแต่เขาท่านถือโอกาสสั่งการ ครูใหญ่ๆเจเจก็ร้องไห้โฟมไฟล์มาที่วัดเห็นสภาพศพน่ากเกลียดน่ากลัวแกเลยไม่กล้าเข้าใกล้ได้แต่รำพึงรำพันว่าโทรอัปแปะททำไมลือมาคิกสั่งอย่างนี้อยู่กับอัวลีลีก็มา น, นี้ผูกคอตายแล้วใครจะตักน้ำให้อัวใช้ ว่าที่ลูกเขยซึ่งเป็นคนไปตามรู้สึกอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าอ๋อนี่เจ้ห่วงตัวเองห ร, อหรือนึกว่าห่วงอาปแปะที่แท้ก็กลัวไม่มีคนตักน้ำให้อาบเจ้เจียจึงรีบแก้ตัวว่าอัวไม่ไหลให้อีตักเฉยนาอัวาจ้างอีวังละห้าสลึงต้องหลัง อีขอครึ่งเป็นห้าบาทแต่ว่าไม่ยอมแกอาจน้อยใจเลยผูกคอตายบุรุษนั้นสันนิษฐานไม่ชายแน่แน่คงไม่ชายเพราะอ้วกอีคงมีเรื่องไม่สมบายใจพอดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเจเจียจึงยิ่งกลัวความผิด ที่จริงแกคิดอยู่อย่างเดียวกับบุรุษนั้นแต่กลัวจะถูกจับขังคุกจึงต้องปฏิเสธไว้ก่อนผู้ตายเป็นอะไรครับเจ้จเจ้าหน้าที่ซักเจเจียอีเป็นอาแปะอัวเป็นผี่ชายของเตียอีมาจากเมืองจริงเป็นคนต่างด้าวหรือและมีใบต่างด้าวหรือเปล่าอัวหมายลูกอีมากะเตีย คอเตียอ้วาตายอัวกอเลี้ยงอีมาหลายปีเลี้ยวแล้วทาไมมาผูกคอตายเจ้ไปว่าอะไรอีให้เจ็บช้าน้ําใจหรือเปล่าเจ๊เจียกลัวจนปากคอสัน่นรีบปฏิเสธพลวันอ้วเปล่าอ้วเปล่ า, าหรืออย่าผูกซี่ซัวยอย่างนั่งมังไม่ลีถ้าฉะนั้นแกจะผูกคอตายทําไมล่ะผู้ตายมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับใครหรือเปล่า หมายมีอ e ีไม่คบกับใครเจเจียไม่กล้าบอกว่าลุงของแกกินยาฝิ่นขโมยเงินไปซื้อยาฝิ่นวันละห้าบาทภายหลังแกจับได้จึงเก็บเงินไว้อย่างมิชิตอาจเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ที่ทำให้อับแปะต้องฆ่าตัวตายและทำไมผู้ตายถึงคิดสั้นเจคิดว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าผมหมายถึงว่า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 หรือว่าในสองร้อยไปแล้วผมเพียงแต่ซักไปอย่างนั้นเองครับหลวงพี่ตำรวจรีบแก้ตัวเกรงจะเสียเหลี่ยมพ้นการสอบสวนยังสรุปไม่ได้ว่าผู้ตายทำอัตวิบาตกรรมด้วยสาเหตุอันใดแจเจียปฏิเสธทุกข้อหาเพราะกรวความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ได้ข้อมูลอะไรจากแกมากนะัก เจเจรับจะจัดการเรื่องศพโดยจะสวดกงเตกสามคืนแล้วก็ฝังไว้ในป่าช้าวัดพรมบุรีเธอก็เลยไม่ได้ออกบินทบาทแต่ไม่เป็นไรมาฉันกุฏิของฉันก็ได้อาหารมีเยอะแยะสมผานช่อชวนพระนมขอบคุณครับแต่ผมคงฉันไม่ลงสภาพศพตะแปะมันติดตาจนรู้สึกสะอิดสะเอียน คงจะฉันเช้าไม่ได้อีกหลายวันแต่เธอต้องปรงให้ได้คิดซื้อว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายอย่างนี้เหมือนกันหลวงพ่อชอบให้สติแต่ผมคงไม่ตายในสภาพน่าเกลียดน่ากลัวยอย่างนี้หรอกครับหลวงพ่อเป็นตายยังไงผมก็ไม่ผูกคอตายเป็นอันขาดคนรักตัวกลัวตายว่าฉันไม่ได้ไหมายความว่าเธอจะทำอย่างนั้น เพียงแต่อยากให้เธอปรงให้ได้ว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกครับผมจะพยายามปรงให้ได้แต่คงต้องใช้เวลาวันนี้ยังไงยังไงผมก็ฉันไม่ลงผมขอตัวกลับกุฏิไปเตรียมตัวก่อนนะครับประเดี๋ยวเจ้าสามคนคงจะมาท่านหมายถึงนายเชี่ยวนายาน และในหลอ่อไปเธอว่าแต่เธอไม่หิวกลางทางนะสมภารยังห่วงบุคคลผู้นี้มีความหมายต่อท่านมากจึงต้องอาทรเ้าหน่อยเอาไว้ให้โบสถ์เสร็จเสก่อนจึงค่อยไม่อาทรรับรองครับผมยังหน่มยังแน่นคงไม่เป็นลมตายเสก่อนแต่ถ้ามันจะเป็นสุดท้ายแล้วแต่เวรแต่กรรมดีแล้ว ปรงได้อย่างนั้นแหละดีแล้วสมภารชมไกลๆพระนมกราบท่านสมภารสามครั้งแล้วจึงเดินกลับกุฏิท่านเริ่มจะรู้สึกถึงความทุกข์ของการเป็นพระเป็นพระก็ทุกอย่างพระเป็นโยมก็ทุกอย่างโยมจะเป็นอะไรมันก็ทุกอย่างนั้นภิกษุไว้ยี่สิบสองคิดปรงปรง